การดำเนินชีวิตในโลกนี้เหมือนกับการล่องแพในกระแสน้ำที่เชี่ยวกระเราอาจจะทวนกระแสน้ำไม่ได้จะลอยไปตามกระแสน้ำอย่างเดียวก็อาจจะชนหินหรือเกาะแก่งสิ่งที่ควรทำก็คือรู้จักล่องน้ำโดยระมัดระวังคัดท้ายแพไม่ให้ไปชนหินหรือเกาะแก่งดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จัก ธรรมชาติของกระแสน้ำขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักคัดท้ายแผด้วยถ้าทำเช่นนั้นได้กระแสน้ำก็จะเป็นประโยชน์สามารถพาเราไปถึงที่หมายได้พระภัยสารวิสาโล อยากจะขอชวนอาจารย์พูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับกระแสนี่ละค่ะด้วยว่าอีกไม่กี่วันนี้อาจารย์ก็จะได้มีโอกาสไปบรรยายทําในหัวข้อเดียวกันกับที่เรากาลังจะพูดกันตรงนี้เลยนะคะครับก็คือข้ามกระแสสำหรับอาจารย์กาพลทองมุนุมแล้วข้ามกระแสจะกินความมีนัยยะอย่างไรเขาก็เชิญเราตามกระแสนะเราก็เลยต้อง เดินตามกระแสเลยอ้าอาจารย์ต้องเล่นตามกระแสค่ะาาอาจารย์รไม่มีสิทธิ์เดินตามกระแสค่ะก็ <c oughs> ื่จะได้ให้กระแสนั้นเป็นไ ป, นปนตามปกติถ้าเราไปขวางมันก็เจ็บก็ลําบากนะคะเนี่ยพูดถึงเรื่องกระแสแ ล, แล้วเนี่ยเรามักจะมองถึงกระแสน้ําที่ไหลลงมาจากเหนือลงไปสู่ใต้บางครั้งก็รุนแรงบางครั้งกระแสน้ําก็อ่อนบางครั้งก็นิ่งได้เหมือนกันอันนี้พูดในทัศนะของชาวเรือเลยใช่ไหมคะอาจารย์ออา บางครั้งก็นิ่งดูไม่ออกว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลขึ้นหรือไหลลงเลยเนี่ยทีนี้ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับในแม่น้ําเนี่ยต้องฉลาดต้องรู้จักเวลาว่าเวลาไหนควรจะล่องเรือบางทีกระแสมันรุนแรงเกินไปเนี่ยมันนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันล่องเรือไม่ได้บางทีต้องช่วงที่กระแสน้ำไหลอ่อนแล้วก็จะไปได้อย่างสะดวกยิ่งกระแสน้ํานิ่งๆเนี่ยเราก็ยิ่งสะดวกที่การที่จะใช้เรือ ยานพาหนะทีนี้ว่าการใช้เรือการเดินตามกระแสหรือล่องไปตามกระแสเนี่ยจะต้องมีสติปัญญาต้องเข้าใจถึงกระแสต่งตางๆว่ามันเป็นมาอย่างไรบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องทวนกระแสเหมือนกันจะไหลหไปตามกระแสสะพืทะพืนมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ดีแนะ่กระแส น, น้ำที่ไหลรุนแรงเนี่ยเราต้องรู้จักจอดอย่าเพิ่งไปนะตอนนั้นไปในอันตรายมาก อย่างเวลาที่มีน้ําหลากมาจะมีข่าวว่ามีคนล้มตายกันมากเรือล่มเปปรืออับปางพวกนี้แหละเพราะว่าเรารู้ไม่ตทันกระแสเหล่านั้นแต่คนที่รู้ต้อทันเนี่ยเขาจะไม่ออกเรือเขาจะจอดไว้จอดหรือว่ายกขึ้นขานไปเลยใช่การจอดเรือต้องรู้จักจอดด้วยจอดเรือต้องจอดหันหน้าทวนกระแสท <c oughs> <c oughs> ต่หนหน้าตามกระแสเนี่ยหรือขวางกระแสเนี่ยบางทีก็อันตรายเพราะนั้นผู้ที่ตกอยู่ในกระแส น้ำก็ต้องรู้จักกระแสให้ดีการใช้ชีวิตนี่แหละต้องรู้จักกระแสของโลกเราจะไปเกี่ยวข้องกับโลกด้วยอย่างไรบ้างอันนี้ถั้ว่าเป็นการเรียนรู้เป็นสติปัญญาของเราค่ะจะว่ากันไปแล้วเนี่ยก็เพิ่งรู้นะคะว่าการจอดเรือเนี่ยก็จะต้องจอด แบบพนกระแสน้ำเพราะว่ามีชีวิตยอยู่มาจะครึ่งศตวรรษแล้วเนี่ยเพิ่งรู้จริงๆค่ะคุณด้วยความที่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินทางทางเรือแล้วก็ชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางเรือพออาจารย์พูดมาตรงนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเราได้ไปล่องเรือที่นาน้าที่ตรงสมุทรสงคราม <S 2> <S 2> เป็นแม่น้าแม่กลองนะคะเวลาคนเรือเขาจะจอดเรือเนี่ย เขาต้องตีโค้งอ้อมซักไกลเลยค่ะแล้วก็หันหัวเรือไปทางทิศ ท, ที่ทวนกระแสน้ํทา<ช>ทั้งๆที่เขาเทียบเลยก็ได้เพราอถ้าอย่างเราขับรถใช่ไหมคะเราก็จะจอดซ้ายจอดขวาแล้วก็เทียบเลยไม่เห็นต้องตีโค้งอ้อมไกลแต่นี่เขาต้องตีโค้งอ้อมไกลแล้วก็หมุนให้หัวเรือทวนกระแสน้ําทีแรกเราก็ยังง ง, งโน้ตเขาจะตัดเรือไปไหนหก็เป็นความรู้ใหม่สําหรับคนงงๆคนหนึ่งนะคะแต่พอ พูดมาถึงตรงนี้แล้วก็มีนัยยะที่ทําให้เราคิดได้เหมือนกันนะคะว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะวางจิตวางใจวางชีวิตของเราอยู่ในจุดที่ปลอดภัยครับการจอเรือแบบนั้นคือคํานึงถึงความปลอดภัยก่อนอย่างอื่นเลยใช่ไหยคะอาจารย์ต้องดูพี่นาดูว่าเรือนี่ไม่เหมือนรถ ร, รถนี่ถ้าจอดแล้วก็หยุดเบรกได้เลยใส่เกียร์แล้วก็เบรกมือแต่เรือเนี่ยมันเบรกกันไม่ได้พอถึงท่าปั๊บเนี่ย ถึงแม้เราจะดับเครื่องหรือใจเกียวว่างอยู่เนี่ยกระแสน้ําเขาก็จะพัดพาเรือไปมันจะไม่นิ่งมันลดนรอใช่ค่ะตอนนี้เวลาจอดเรือเนี่ยสัเกตดูทําไมเขาจึงจอดเรือทวนกระแสน้ําเพราะเรือเนี่ยมันมีสองด้านมีทั้งหัวนี่แหลมแหลมด้านท้ายนีย่มันจะไม่แหลมเหมือนหัวการจอดเนี่ยเท่าหัวแหลมแหลมเนี่ยสู้กับน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยเรือจะไม่สายไปส่ายมาแล้วถ้าว่าเราเอาด้านท้ายเรือมาทวนกระแส น, นี่ ดันให้เรือเนี่ยมันไม่แหลมมันนะนี่เวลากระแสน้ําพัดมาเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าปะทะกับกระแสและส่วนของหางเสือเขาเรียกหางเสือนะมันจะอยู่ทางท้ายเรือมันจะควบคุมไม่ได้ดีเท่ากับหางเสือที่อยู่ทางด้านท้ายแล้วก็มีหัวเรืออยู่ด้านหน้าคือหางเสือนี่อยู่ด้านหน้าเป็นเรื่องมันจะไม่สะดวกมันอยู่ท้ายเรือเรื่องการจอดจะต้องเอาหัวเนี่ยทวนกระแสนะว่าไม่ว่ากระแสน้ําจะมาจากทิศทางใด ต้องเอาหัวตั้งรับไปบในทิศทางนั้นนะคะเราจะเห็นว่าเวลาเรือทอดสมอใช่ไหมแล้วทอดสมอเนี่ยเขาจะหัวเรือทวนกระแสน้ํานึง่งให้น้ำมันไหลไปธรรมดาแล้วก็เรือเนี่ยไม่ขวางอันนั้นก็คือเรื่องของเรือและกระแสน้ำใช่แล้วในเรื่องของชีวิตและกระแสที่ชีวิตจะต้องข้ามผ่านเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์ใช่ชีวิตเนี่ยสำคัญมากชีวิตเนี่ยต้องรู้เท่าทันก่อนเท่าทันของชีวิต ต้องรู้จักชีวิตรู้จักโลกรู้จักชีวิตต้องไม่เท่าทันตรงนี้ก่อนเราจะได้จัดตัวเราเนี่ยให้เหมาะสมกับชีวิตแล้วก็กับโลกถ้าเรารู้ไม่ทันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยโลกก็ตามชีวิตก็ตาม เ, เราจะใช้ชีวิตแบบไม่ถูกต้องะจะไปขวางโลกขวางโลกก็เจ็บนะแล้วถ้าเราไม่รู้ไม่เท่าทันเราก็ตามโลกตามโลกนีก่อันตรายเพราะโลกเนี่ยเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความแตกทาลาย ถ้าตามไปเนี่ยเราก็ต้องตายตามโลกแล้วต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโลกและชีวิตด้วยความเข้าใจแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องโดยที่ไม่ขวางโลกและไม่ตามโลกให้รู้จักรู้เท<ม>่าทันโลกเขาจึงเปรียบเทียบว่าจิตเป็นนายกายเป็นเรือแล้วอะไรอีกอะคะสติก็เป็นหางเสื อ, อปัญญาก็เป็นผู้ภายเรือเพระาะฉะนั้นการอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราต้องมีสติมีปัญญาเพื่อเรียนรู้จักโลกแล้วก็ชีวิต ให้ถูกต้องเราเรื่องใช้ชีวิตเราเนี่ยไปด้วยความปลอดภัยเหมือนเรือที่มีนายเรือที่ดีมีห้องเสือที่ดีแล้วก็เรือไม่รั่วจะพาเรือล่องไปได้โดยตลอดโดยที่ไม่ชนกับเกาะแก่งนึ่งค่ะอันนี้คือเทคนิควิธีการที่จะข้ามกระแสครับแล้วกระแสที่ว่านี่อาจารย์กินความแค่ไหนคะ่ะจากปุตุชนไปสู่รอริยชนหรือว่ายังไงคะ่ะ กระแสของชีวิตเราเนี่ยมันก็มีปุตตุชนปุตุชนเนี่ยก็มีความทุกข์เต็มที่แล้วก็มีการที่จะเรียนรู้จากยุคที่ปุตุชนเนี่ยให้เป็นกาลยานชนให้ดีขึ้นมาหน่อยนึงอาจารย์กําลังจะบอกว่าจากปุตุชนจะเป็นุชอริยชนได้นั้นต้องผ่านขั้นตอนของการเป็นกาลยานชนก่อนชนชั้นดีหน่อยคเพราะปุตุชนนี่อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่หรืเปล่าอาจจะไม่สนใจธรรมะก็ได้อาจจะไม่สนใจเรื่องชีวิต ไม่สนใจเรื่องโลกสนใจแต่สิ่งนอกตัวนน เ, รเรื่องธ ร, รมาหากินเรื่องสุขผานแล้วก็ทําบาวทําชั่วเป็นนิดผิดศีลผิดธรรมหันหลังให้ธรรมะคัขดข้านต่อต้านธรรมะไม่จําเป็นอันนี้คือปุถุชนที่ไม่สนใจธรรมคะคก็ไม่ผิดนะแต่ว่ายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับรกระแสอาจจะจบด็อกเตอร์ก็ได้ได้มีโอกาสจบปริญญาเอกแต่ว่า เป็นปัญญาเอกทางโลกครับอาจจะยังไม่รู้เรื่องของโลกและชีวิตตามความเป็นจริงปัญญาทางโลกอาจจะมีแต่ปัญญาทางธรรมยังไม่พร้อมสมบูรณ์ยังหาไม่ได้อันนี้แหละเลยจําเป็นจะต้องหันเข้ามาศึกษาตัวเองคศึกษาตัวเองด้วยอาศัยหลักธรรมะนี่แหละพอมีหลักธรรมะแล้วเนี่ยอ๋อจะเริ่มเข้าใจยกระดับจากปุถุชนเนี่ยเป็นปุถุชนชั้นดีหน่อยซึ่ง<ม>เราเรียกว่ากัลยาณชนเนี่ยมีศีลมีธรรมฟังธรรมะ รู้จักเลือกคบคนรู้จักเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นโทษควรจะละอะไรเป็นประโยชน์ที่ควรจะทําจะเริ่มเข้าใจไมาย่างขึ้นใช่ไหมจะระดับตัวเองสูงขึ้นมาหน่อยนึงจนนั่งพัฒนาจิตตัวเองเนี่ยถึงกระทั่งเข้าใจโลกแล้วก็สามารถปล่อยวางได้ในบางเรื่องบางราวเนีก็สามารถข้ามพ้นเนี่ยจิตนี้ข้ามพ้นจากผู้ชนธรรมดาเนี่ยจนเป็นอริยชนได้คอริยชนคือชนผู้ที่พัฒนาแล้วอยู่เหนือแล้ว เนือจากกิเลสและกองทุกข์ที่มันมาเกาะกินอาจจะไม่ทั้งหมดอริยตนขั้นตน้ตนๆ้นก็ยังดีกว่าที่เป็นปุถุช น, นอาจารย์พูดอย่างกับว่าอริยชนมีหลายขั้นอย่างนั้นนะคะก็เขาจัดระดับไว้มากมาย4ระดับพอจะเล่าสู่กัน<อ>ฟังได้<า>ไหมคะแต่โสดาบันส ก, กิตาคามีอนณาคามีแล้วก็เป็นอรหรันต์เขาจัดระดับไว้เป็นสมมุติเนี่ยถ้าใครพ้นทุกข์ได้ระดับต้นๆอ่ะก็เป็นอริยะขั้นต้นลองลงมาจะั้ง คนทุกถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาเรียกพล<ร>ังงานจะระดับไปคล้ายๆกับที่เราเรียนหนังสือจริงๆแล้ว <c oughs> ลําดับทั้งหมดที่เรากล่าวถึงเนี่ย <c oughs> ก็คือลําดับขั้นของการพัฒนาชีวิตจิตใจของผู้คนใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าในชีวิตหนึ่งซึ่งเราเกิดมาเนี่ยเราควรจะมีทิศทางในการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราไปสู่ความดีงามครับ <c oughs> อย่างไรแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ถ้าหากใครไม่ได้ พัฒนาในสิ่งที่ได้มานี้ให้มีเมือยากจะใช้คําว่าระดับของคุณภาพที่ยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าน่าเสียดายมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นมืดมาแล้วก็มืดไปคงไม่มีใครบรรลุมาแล้วก็บรรลุไป <c oughs> ใช่ไหมถ้ามืดมาแล้วเป็นปุถุชนคือมือดมา <c oughs> มีความไม่รู้ <c oughs> แต่พยายามที่ศึกษาธรรมะเรียนรู้เรื่องชีวิตเข้าใจชีวิตค <c oughs> เริ่มพัฒนาจิตใจเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นแหละนี่เวลาคนเราเนี่ยมันต้องตายจากโลกนี้ไป มืดมาแล้วถ้ามีความรู้ออกไปแล้วนึกว่าสว่างไปสว่างคือมีความรู้ความเข้าใจชีวิตค่ะคือไปแบบคนที่ไม่มีทุกข์เพราะฉะ น, นั้นการพัฒนาสูงสุดเนี่ยเอาความทุกข์เป็นเกณฑ์ทุกข์คือความที่ไม่มีใครอยากได้เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อจะไม่ชีวิตเราเป็นทุกข์แต่เราหาทางไม่ถูกต้องทีนี้ว่าความพ้นทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ภาวะของจิตค่ะถ้าจิตพ้นทุกข์น้อยๆก็ถือว่าเป็นอยายะขั้นตน้น คนสุดท้ายถ้าว่าพ้นทุกโดยสิ้นเชิงเนี่ยค่ะอันเนี้ยระดับของพาระอรหันต์แล้วจําเป็นไหมคะที่เราจะต้องคอยดูว่าคนนั้นเป็นโสดาบานาันแล้วคนนี้เป็นสกิทาคามีแล้วคนนั้นเป็นอนาคามีแล้วคนนั้นเป็นพาระาอารหันต์แล้วเนี่ยจำเป็นไหมคะที่เราต้องไปใฝ่ใจรู้ให้ได้ในสิ่งเหล่านี้เออเราไปสนใจแบบนั้นนหละเราก็พยายามที่จะให้ชื่อให้สมมุติใจเราก็จะบางทีก็จะฟุ้งมากที่เป็นตัวตนมากค่ะ เราไม่จำเป็นต้องไปรู้อย่างนั้นก็ได้เนี่ยฟังเอาไว้รู้เอาไว้แล้วเราก็มาพัฒนาตัวเราดีกว่าคือใครจะเป็นลําดับขั้นไหนเนี่ยไม่สําคัญเท <c ười> ่าเราได้พัฒนาตัวของเรามากน้อยแค่ไห น, นใช่ไหมคะอาจารย์ดีที่สุดเลย <c ười> ใครก็ตามที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงสูงเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเขายังมีความทุกข์เต็มที่อยู่เนี่ยก็ถือว่าอันนั้นเป็นแค่สมมุติพระอรหันต์พระเรยซูเจ้านั้นหาได้ที่จิต <c ười> ใจเราค่ะใจเราเท่านั้นที่จะพบเห็นพระเรยซูเจ้าที่แท้จรงิง ทุกเราลดน้อยลงโอ้นี่ก็ดีละใช้ได้ละทุกเราน้อยลงน้อยลงทั้งหมดทุกเลยเนี่ยโอ้นี่แหละนี่แหละจะเป็นอรหัน์หรือจะเป็นอริยะเจ้าขั้นไหนเนี่ยไม่สําคัญสำคัญที่ว่าทุกเราเนี่ยมันลดไปแล้วก็หมดไปไม่ว่าใครจะเป็นพระอริยเจ้าใครจะเป็นพระอรหันหรือว่าใครจะบอกว่าเราเป็นอะไรใครเป็นอะไรเนี่ยสําคัญน้อยกว่าตัวเราตัวเรา ทุกน้อยลงคนรก็เป็นเนี่ยแต่เราก็ยังมีความทุกข์อยู่ในความวิญญาณนะคะอันนี้ก็ขอย้ําขอเตือนเพื่อนของเราสักนิดหนึ่งว่าในชีวิตที่เหลือไม่ว่าจะมากหรือน้อยแค่ไหนเรามาเดินทางในเส้นทางสายนี้กันดีไหมคะอาจจะใกล้หรือยาวไกลแค่ไหนคงไม่มีใครกําหนดได้แต่เราจะอยู่ในเส้นทางของการพัฒนาระดับจิตใจของเรานะคะ